ประวัติในอดีตชาติของพระมหาโมคลานเถระพระมหาโมคลานเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าอนนมัสสีผู้เจริญที่สุดในโลกผู้องอาจกว่านรชนมีหมู่เทวดาห้อมล้อมประทับอยู่ที่ภูเขาหิ ม, มาพานครั้งนั้นข้าพเจ้าเกิดเป็นพญานาคมีนามว่าวารุณะ เนรมิตรูปได้ตามที่ต้องการแสดงริดได้ต่างๆอาศัยอยู่ในทะเลใหญ่พระพเจ้าละหมูหนาซึ่งเป็นบริวารประจำให้เริ่มบรรเลงดนตรีในครั้งนั้นหมูนางนาแวดล้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพากันประคมดนตรีเมื่อดนตรีประคมอยู่เหล่าเทวดาก็ประคมดนตรี พระพุทธเจ้าด้ยทรงสดับเสียงดนตรีของทั้งสองฝ่ายแล้วก็ทรงทราบเข้าพเจ้านิมนต์พระสัมมา ส, สัมพุทธเจ้าแล้วเข้าไปยังพบของตนปูราดอาสนะแล้วจึงกราบทูลเวลาพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกมีพระขีนาสกพันรูปแวดล้อมทรงเปล่งรัศมีทําที่ทั้งปวงให้สว่างสวยัยเสด็จเข้าไปยังพบของเข้าพเจ้าครั้งนั้น พระพเจ้าอังฆาพระผู้มีประภาคผู้มีความเพียรมากผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเทพผู้องอาจกว่านรชนและหมู่ภิกษุให้อิ่มหนำด้วยข้าวและน้ำพระผู้มีประภาคผู้ทรงมีความเพียรมากผู้เป็นพระสยามผู้เป็นบุคคลผู้เลิศทรงอนุโมทนาแล้วประทับนั่งในถ้ำกลางหมู่ภิกษุแล้วได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าบุคคลใดได้บูชาพระสม และได้บูชาพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกด้วยจิตที่เลื่อมใสนั้นบุคคลนั้นจะไปเกิดยังเทวโลกจะครองเทวสมบัติเจสิบเจ็ดชาติจกเป็นพระเจ้าแผ่นดินครองแผ่นดินหนึ่ง้ยแปดชาติและจกเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิห้าสิบห้าชาติผู้คุสมบัตินับจํานวนไม่ท้วนจะเกิดขึ้นแก่เขาในขณะนั้น เนื่องกลับที่นับไม่ได้นับจากกลับนี้ไปพระศาสดาพระนามว่าโคโดมตามพระโคดทรงสมภพในราชสกุลโอกากาการาชจากอุบัติขึ้นในโลกเขาจุติจากเนโรโลกแล้วจากมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นบุตรของพราหมณ์มีนามว่าโกลิตะภายหลังเขาถูกกุศมลมูลตักเตือนแล้วจากบวชเป็นสาวกองค์ที่สองของพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าโคโดม เป็นผู้บำเพ็ญเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวเพื่อ น, นิพพานถึงความสำเร็จแห่งฤทธ์กำหนดรู้อาสวะทั้งปวงเป็นผู้ไม่มีอาสวะแล้วนิพพานพระเถระขั้นกล่าวคำพยากรณ์ที่ตนได้รับแล้วเมื่อจะประกาศความประพฤติชั่วจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าคลุกคลีไม่ชั่วตกอยู่ในอำนาจกามราคะมีใจโกรธเคืองได้ฆ่ามารดาและบิดาเสร็จแล้ว ข้าพเจ้าเกิดในกำเนิดใดๆคือจะเป็นนรกหรือมนุษย์ก็ตามเพราะเป็นผู้มากด้วยความชั่วข้าพเจ้าจึงถูกทุบศีรษะตายนี้เป็นกรรมครั้งสุดท้ายของข้าพเจ้าพบสุดท้ายกำลังเป็นไปอยู่กรรมเช่นนี้จะปรากฏแก่ข้าพเจ้าในเวลาจะตายแม้ในชาตินี้ข้าพเจ้ามันประกอบความสงดยินดีในการเจริญสมาธิ กำหนดรู้อาสวะทั้งปวงแล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะเมื่อพระเทระจะประกาศผลแห่งความประพฤติในกรณ์จึงกล่าวว่าข้าพเจ้าถึงความสำเร็จแห่งฤทธิ์เพืงใช้นิ้วหัวแม่เท้าข้างซ้ายเขีย่ยแผ่นดินซึ่งทั้งลึกทั้งหนาที่อะไรอะไรกำจัดได้ยากให้ไหวได้ข้าพเจ้าไม่เห็นอาสมิมานะถือตัวว่าเป็นนั่นเป็นนี่ข้าพเจ้าไม่มีความถือตัว ข้าพเจ้ากระทำจิตให้มีความเคารพแม้กระทั่งสามเณรในกลับที่นับไม่ได้นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้บำเพ็ญกรรมใดไว้ข้าพเจ้าได้บรรลุถึงภูมินั้นแล้วบรรลุความสิ้นอาสวะคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมก8ปดและอภิญยาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทาสาเร็จแล้ว ดังนี้แลได้จราบว่าท่านพระมหาโมคลานะเทระได้พาสิทคถาเหล่านี้ด้วยประการศนิมหาโมคลานะเทระประธานที่สองจบส ม, มหากัะสปะเทระประธานประวัติในอดีตชาติของพระมหากัะสปะเทระพระมหากัะสปะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า ประชาชนพาพันธทำการบูชาพระผู้มีพระภาคผู้ศาสดาพระนามว่าปทุมมุตระผู้เจริญที่สุดในโลกผู้คงที่ในเมื่อพระองค์ผู้ทรงเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกได้เสด็จดับขันธปรินิพานแล้วหมู่ชนมีจิตร่าเริงบันเทิงเบิกบานทำการบูชาเมื่อหมู่ชนนั้นเกิดความสังเวชแต่ข้าพเจ้าเกิดความปิตยินดี ข้าพเจ้าได้เชิญ ญ, ญาติมิตรมาประชุมกันแล้วได้กล่าวคำนี้ว่าพระผู้มีพระภาคผู้มีความเพียรมากได้ปรินิพานแล้วขอเชิญพวกเรามาทําการบูชาเถิดญาติมิตรของข้าพเจ้าเหล่านั้นรับคําแล้วก็ทําให้ข้าพเจ้าเกิดความร่าเริงเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะทําการสั่งสมบุญในพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นที่พึ่งของสัตว์โลก ข้าพเจ้าได้ช่วยขันสร้างอาคัคยะเจดีเป็นเจดีที่สร้างอย่างดีสูงร้อยศอกกว้างร้อยห้าสิบศอกเป็นดังวิมานสูงเสียด ฟ, ฟ้าสั่งสมบุญไว้แล้วข้าพเจ้าขันสร้างอัิยะเจดีซึ่งงดงามด้วยแนวแห่งต้นตาลไว้ใกล้สถานที่ที่ทําการบูชาเจดีนั้นแล้วทําจิตของตนให้เลื่อมใสบูชาเจดีอันสูงสุดพระเจดีนั้น รุ่งเรืองอยู่ด้วยรัตนะทั้งเจ็ดดุจกองไฟลุกโผรงอยู่ส่องสว่างทั่วทั้งสี่ทิศดุจต้นพยาไม้สาละออกดอกบานสะพรั่งและดุจสายรุ้งในอากาศเขาไปเจ้าทำจิตให้เลื่อมใสในห้องบรรจุพระป ร, ะรมาสารีเรื่องธาตนั้นสร้างกุศลเป็นอันมากแล้วเราลึกถึงบุพกรรมแล้วจึงไปเกิดยังสวรรค์ชั้นไตรทิพข้าพเจ้าอธิษฐานยานทิพ เทียมด้วยม้าสินทบพันตัววิมานของข้าพเจ้าสูงตรงานเจ็ดชั้นในวิมานนั้นมีเรือนยอดพันหลังทำด้วยทองคำล้วนรุ่งเรืองด้วยเดชของตนส่องสว่างทั่วทุกทิศครั้งนั้นมีศาลาหน้ามุกทำด้วยแก้วทับทิมแม้เหล่าอื่นอยู่ศาลาหน้ามุกแม้เหล่านั้นมีรัศมีโชดช่วงรอบรอบทั้งสี่ทิศเรือนยอดซึ่งเกิดขึ้นด้วยบุญกรรม ที่บุญกรรมเนรมิตไว้อย่างดีทําดึกแก้วมณีช่อช่วงโดยรอบทั่วทุกพิษแสงสว่างแห่งเรือนยอดซึ่งช่อช่วงอยู่เหล่านั้นได้สว่างเจอจ้าข้าพเจ้าปกครองเทวดาทั้งปวงนี้เป็นผลแห่งบุญกรรมเนื้อกับที่หกหมื่นนับแต่กลับนี้ไปข้าพเจ้าเป็นกษัตริย์นามว่าอุพิท ธ, ธมีชัยชนะมีทวีปทั้งสี่เป็นขอบเขต ครองแผ่นดินในพัทระกับก็อย่างนั้นเหมือนกันเขาพเจ้าได้เกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิผู้มีพลานุภาพมากยินดีพอใจในกรรมของตนถึงสาสิบชาติเขาพเจ้าเป็นใหญ่ในทวีปทั้ง 4, สสมบูรณ์ด้ยวยรัตนเจตประการในคราวเป็นพระเจ้าจากักรพรรดนั้นปราสาทของเขาพเจ้าสูงตระงานดังสายรุง้งปราสาทนั้นยาว24โยต์กว้างสิบสองโยต์ มีกรุงชื่อรามกะมีกำแพงและค่ายมั่นคงนครนั้นมีกำแพงและค่ายยาวห้าร้อยโยต์กว้างสองร้อยห้าสิบโยต์มีหมู่ชนพลุกพล่านขวักขวายดังเมืองสวรรค์ชั้นไตรทิพเข็มยี่สิห้าเล่มที่ใส่ไวในกล่องเข็มแล้วย่อมกระทบกันและกันเบียเสกกันเป็นนิดฉันใดแม้กรุงของกษัตเจ้าก็ฉันนั้น ลุกพล่านขวักไข่ไปด้วยช้างม้าและรถมีมนุษย์ขวักไข่หน่ารื่นรมเป็นกรุงอันอุดมข้าพเจ้าดื่มกินอยู่ในกรุงนั้นแล้วกลับไปเกิดเป็นเทวดาอีกในภพสุดท้ายครูสนสมบัติได้มีแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าเกิดในตระกูลพราหมณ์สะสมรัตนะไว้เป็นอันมากสละทรัพย์แปดสิบโกศแล้วออกบวชคุณวิเศษเหล่านี้เกิปฏิสัมพิทาสี่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 ประวัติในอดีตชาติของพระอนุรุทธเถระพระอนุรุทธเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าได้พบเห็นพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าสุเมทะผู้เจริญที่สุดในโลกผู้องค์อาจกว่านรชนผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกเสด็จหลีกเร้นอยู่ข้าพเจ้าเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสุเมทะ ผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกได้ประคองอัญชลีทูลอ้อนวอนพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงมีความเพียรมากผู้เจริญที่สุดในโลกทรงองค์อ่างกว่านรชนขอพระองค์ทรงอนุเคราะห์ด้วยเถิดข้าพระองค์จะถวายประทิบแด่พระองค์ผู้เข้าชานอยู่ที่โคนต้นไม้พระสยามภูทีระเจ้าทรงเป็นผู้ประเสริฐกว่าเจ้าลัิทั้งหลาย พระองค์นั้นทรงรับแล้วในครั้งนั้นเขาพเจ้าได้เจาะต้นไม้ประกอบประทีพยนต์เขาพเจ้าได้มอบถวายไส้ตะเกียงพันไส้แด่พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันของโลกดวงประทีพทั้งหลายลุกโพล่อยู่ตลอดเจ็ดวันแล้วก็ดับไปเองด้วยจิตที่เลื่อมใสนั้นและด้วยการจ้งเจตนาไว้มั่นเขาพเจ้าละกายมนุษย์แล้วได้ไปเกิดยังวิมาน เมื่อข้าพเจ้าเกิดเป็นเทวดาวิมานที่ก ร, รัมเนรมิตไว้ดีแล้วย่อมรุ่งเรืองรอบด้านนี้เป็นผลอย่งการถวายประทีพครั้งนั้นข้าพเจ้ารุ่งเรืองทั่วตลอดหนึ่งโยต์เดิรอบย่อมปกครองเทวดาทั้งปวงนี้เป็นผลอย่างการถวายประทีพยขาพ้า พ, เ, าพเจ้าได้เป็นจอมเทพครองเทวสมบัติอยู่ถึงสามสิบกัปไม่ว่าจะเป็นใครก็ดูหมิ่นข้าพเจ้าไม่ได้ นี้เป็นผลแห่งการถวายพระที่ข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิยีชาติและในครั้งนั้นข้าพเจ้ามองเห็นได้ตลอดหนึ่งโยดโดยรอบทั้งกลางวันและกลางคืนข้าพเจ้าได้ตาทิพย์ย่อมมองเห็นได้ตลอดพันจักรวาลด้วยญาณในศาสนาของพระศาสดานี้เป็นผลแห่งการถวายดวงพระที่ในกลับที่สามหมื่นนับจากกลับนี้ไป มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสุเมธะเขาพเจ้ามีจิตผ่องใสได้ถวายดวงประทีปแด่พระองค์คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิญญาหกเขาพเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระอนุรุธทธเถระ ได้พาสิกถาเหล่านี้ด้วยประการศนิอนุรุทะเทราประทานที่สีจบหปุณณมันตานีบุ ต, ตเถราประทานประวัติในอดีตชาติของพระปุญณมันตานีบุตรเถระพระปุญณมันตานีบุตรเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าเขาพระเจ้าเป็นพราหมณ์ผู้คงแกเรียนทรงมน จบไตรเพศห้อมล้อมด้วยศิษย์ทั้งหลายแล้วได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคผู้สูงสุดแห่งนรชนพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าปทุมุตระผู้ทรงรู้แจ้งโลกผู้สมควรรับเครื่องบูชาทรงเป็นมหามุนีได้ประกาศกรรมของข้าพเจ้าโดยย่อข้าพเจ้าได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงถวายอภิวาพระาศาสดาประคองอัญเชลีบ่ายหน้าลีไปทางทิศใต้ ข้าพเจ้าได้ฟังธทำมาโดยย่อแล้วแสดงได้โดยพิจารณาศิษย์ทุกคนต่างพอใจฟังข้าพเจ้ากล่าวอยู่แล้วบรรเทาทิฐิของตนต่างทําจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแม้โดยย่อข้าพเจ้าก็แสดงได้โดยพิจารณาก็แสดงได้เหมือนกันเป็นผู้มีความรู้ในในแห่งพระอภิธรรมเป็นผู้ฉลาดในคาถาวัตถุปกรณ์อย่างหมดจด ให้ปวงชนได้รู้แจ่มแจ้งแล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะแนขับที่ห้าร้อยนับจากพัทระกับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิผู้มีชื่อเสียงถึงสีชาติสมบูรณ์ด้วยรัตนเจตประการทรงเป็นใหญ่ในทวีปทั้งสี่คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทาให้แจ้งแล้วคำส่งสอนของพระพุทธเจ้า พระพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้ได้ทราบว่าท่านพระปุณณมันตานีบุเทระได้พาสิข า, าเหล่านี้ด้วยประการชนี้ปุณณมันตานีบุตตะเทราประธานที่ห้าจบ เทราประทานประวัติในอดีตชาติของพระอุบาลีเทระพระอุบาลีเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นพราหมณ์มีนามว่าสุชาตะในกรุงหงษ์สวดีมีกองทรับแปดสิบโกรมีทรัพย์และข้าวเปลือกเป็นอันมากเป็นผู้คงแก่เรียนทรงมนจบไตรเพศสำเร็จในคำพีพยากรลักษณะ คำปีอิติหาสะและไรเพศอันเป็นธรรมของตนครั้งนั้นเหล่าปริพาชกผู้มีผมปล่อยเดียวสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เป็นเชื้อสายแห่งพระอาทิตย์และเหล่าดาบทผู้เที่ยวสัญจรพากันท่องเที่ยวไปบนพื้นแผ่นดินแม้พวกเขาก็พากันห้อมล้อมเข้าพระเจ้าด้วยสำคัญว่าเป็นพรามมีชื่อเสียงชนจำนวนมากพากันบูชาเข้าพเจ้า แต่ข้าพเจ้าไม่บูชาใครครั้งนั้นข้าพเจ้าไม่เห็นใครว่าเป็นผู้ที่ควรบูชาจึงถือตัวจัดพระชินเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้นมาตราบใดคำว่าพุทธะก็ยังไม่มีตราบนั้นเมื่อวันเคินล่วงไปพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าปทุมุตระทรงเป็นผู้นำผู้มีพระจักสุเสด็จอุบัติขึ้นมาบรรเทาความมืดทั้งปวงในโลก เมื่อศาสนาแผ่ไปกว้างขวางมีท่านผู้รู้มากและเป็นปึกแผ่นครั้งนั้นพระพุทธเจ้าได้เสด็จเข้าไปยังกรุงหงสาวดีครั้งนั้นพระพุทธเจ้าผู้มีพระจักษุพระองค์นั้นได้ทรงแสดงธรรมเป็นประโยชน์แก่พระบิดามีชุมนุมชนอยู่โดยรอบตลอดหนึ่งโยน์ตามเวลานั้นครั้งนั้นสุนันทดาบดได้รับสมมติจากหมู่ชนว่าเป็นเลิศ ได้ใช้ดอกไม้บังแดดทั่วพุทธบริษัทเมื่อพระพุทธเจ้าทรงประกาศสัจจะสี่ณนะมณฑปดอกไม้ที่งดงามเหล่าสัตว์ประมาณหนึ่งแสนโกดได้บรรลุธรรมพระพุทธเจ้าทรงบันดาลหยาดฝนคือพระธรรมให้ตกลงตลอดทั้งเจ็ดคืนเจ็ดวันพอถึงวันที่แปดพระชินเจ้าก็ได้ทรงพยากรณ์สุ น, นันทดาวดว่าท่านผู้นี้ เมื่อเวียนไหวาตายเกิดในเทวโลกหรือมนุษสยาโลกก็จะเป็นผู้ประเสริฐกว่าใครทั้งหมดจากเวียนไหวาตายเกิดในภพทั้งหลายเนื้อกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปพระศ า, าสดาทรงพระนามว่าโคดมตามพระโคดทรงสมภพในราชสกุลโอกา ก, าการาคราชจากอุบัติขึ้นในโลกท่านผู้นี้จากบรรของนางมันตานีมีนามว่าบุญณนะ เป็นธรรมทายาทเป็นโอรสที่ทํำเนรมิตรจากเป็นสาวกของพระศาสดาพระองค์นั้นครั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพยากรสุนันทดาบทอย่างนี้แล้วทําให้ประชาชนทั้งปวงร่าเริงทรงแสดงกําลังของพระองค์ครั้งนั้นประชาชนประนมมือไหว้สุนันทดาบทแต่สุนันท h ดาบทครั้นทําสักการะในพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ชำระคติ กำเนิดของตนให้บริสุทธิ์หมดจดเพราะข้าพเจ้าได้ฟังพระดำรักของพระมุนีณที่นั้นจึงได้มีความดำริว่าเราจากสั่งสมบุญโดยประการที่จะได้พบพระผู้มีพระภาคพระนามว่าโคดมครั้นข้าพเจ้าคิดอย่างนี้แล้วก็คิดถึงกิตที่เราควรทำว่าเราจะบําเพ็ญบุญกรรมเช่นไรในเนื้อนามบุญที่ยอดเยี่ยม บรรดาพิสุผู้เป็นนักสวดทั้งหมดในศาสนาพิกษุรูปนี้เป็นนักสวดรูปหนึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นผู้เลิศในทางวินัยตำแหน่งนั้นข้าพเจ้าปรารถนาแล้วโภกคสมบัติของข้าพเจ้านี้นับประมาณไม่ได้เปรียบดังห้วงน้ําที่ไม่มีอะไรอะไรทําให้กระเพิ่มได้นับไม่ได้ข้าพเจ้าได้จ่ายพวกคสมบัตินั้นสร้างอารามถวายพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าจ่ายทรัพย์หนึ่งแสนซื้อสวนชื่อว่าโสพณะด้านทิศตะวันออกนครสร้างให้เป็นสังขารามข้าพเจ้าได้สร้างเรือนยอดปราสาทมณฑกเรือนโล้นถ้ำและที่จงกรมไว้ในสังขารามอย่างดีข้าพเจ้าได้สร้างเรือนไฟโรงไฟโรงน้ำและห้องอาบน้ำถวายแด่โมภิกษุข้าพเจ้าได้ถวายเก้าอี้นอนตัง ภาชนะสําหรับใช้สอยคนวัดและเทศนั้นครบทุกอย่างเขาพระเจ้าได้จัดตั้งอาราขาไว้ให้สร้างกําแพงอย่างมั่นคงโดยหวังว่าใครๆอย่าได้รบกวนอารามแห่งนั้นของท่านผู้มีจิตสงบผู้คงที่เลยเขาพระเจ้าได้จ่ายทรัพย์หนึ่งแสนสร้างที่อยู่ไว้ในสังขารามครั้นที่สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วจึงน้อมถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า ข้าแต่พระมูนีข้าพระองค์สร้างอารามเสร็จเรียบร้อยแล้วขอพระองค์ทรงรับเถิดข้าแต่พระทีระเจ้าผู้มีพระจักสุข้าพระองค์ขอมอบถวายแด่พระองค์ขอพระองค์ทรงรับเถิดพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมตระผู้ทรงรู้แจ้งโลกผู้สมควรรับเครื่องบูชาทรงเป็นผู้นำทราบความดำริของข้าพเจ้าแล้วจึงทรงรับไว้ ข้าพเจ้าทราบการรับของพระจัพพันอยู่ผู้สแสวงหาพระคุณอันยิ่งใหญ่จึงตระเตรียมโภชนาหารแล้วไปกราบทูลพัตการเมื่อข้าพเจ้ากราบทูลพัตการแล้วพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้ทรงเป็นผู้นำพร้อมด้วยพระขีณาสพันรูปได้เสด็จมาสู่อารามของข้าพเจ้าข้าพเจ้าทราบเวลาที่พระองค์ประทับนั่งเรียบร้อยแล้วจึงอังฆ่าให้อิ่มนำ้ำ จ้าเวลาที่สวยเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้กราบทูลคำนี้ว่าอารามชื่อโสพณะข้าพระองค์จ่ายทรัพย์หนึ่งแสนซื้อมาได้สร้างจนเสร็จเรียบร้อยด้วยทรัพย์จานวนเท่านั้นเช่นกันข้าแต่พระมุนีขอพระองค์ทรงรับเถิดด้วยการถวายพระอารามแห่งนี้และด้วยการตั้งเจตนาไว้มั่นเมื่อข้าพระองค์บังเกิดในภพขอจงได้สิ่งที่ข้าพระองค์ปรารถนาเถิด พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับสังขารามที่ข้าพเจ้าสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วประทับนั่งถ้ำกลางหมู่ภิกษุแล้วได้ตรัสพระดํารัสนี้ว่าเราจักพยากรผู้ที่ได้ถวายสังขารามซึ่งสร้างปุติที่เร้นมนดบปราสาทเรือนโลนและกำแพงเป็นต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วแด่พระพุทธเจ้าท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวเถิด กองทัพสี่เหล่าคือพลช้างพลมา้าพลรถและพลเดินเท้าจะแวดล้อมผู้นี้เป็นนิดนี้เป็นผลแห่งการถวายสังฆารามเครื่องดนตรีหกหมื่นชิ้นกลองที่ประดับตกแต่งสวยงามจะแวดล้อมผู้นี้เป็นนิดนี้เป็นผลแห่งการถวายสังฆารามสาวรุ่นแปดหมืนหกพันนางผู้ประดับตกแต่งสวยงามสวมใส่ผ้าอาพร อ, อย่างงดงาม ห้อยต้มหูแก้วมณีมีหน้ากลมโตมีปกติราเริงรูปร่างงามเอวเล็กเอวบางจับแวดล้อมผู้นี้เป็นนิดนี้เป็นผลแห่งการถวายสังคารามผู้นี้จกรื่นรมในเทวโลกตลอดสามหมือนกับจากเป็นจอมเทพครองเทวสมบัติหนึ่งพันชาติจากได้สิงของทุกอย่างที่เท้าเทวราชจะพึงได้เป็นผู้มีโภกระซั์ไม่รู้จักพร่องครองเทวสมบัติ จากเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิในแว่นแคว้นพันชาติเป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพบุญนับชาติไม่ถ้วนเนือกับที่หนึ่งแสนกับพระศาสดาพระนามว่าโคดมตามพระโคดส่งสมภพในราชสกุลโอกาก า, กาก ร, ราชจากอุบัติขึ้นในโลกท่านผู้นี้จะมีนามว่าอุบาลีเป็นธรรมทายาทเป็นโอรสที่ทำเนรมิตรเป็นสาวกของพระศาสดาพระองค์นั้น จากถึงความสำเร็จในวินัยเป็นผู้ฉลาดในฐานะและไม่ใช่ฐานะดำรงศาสนาของพระเจ้าไว้ได้อยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะพระผู้มีพระภาคผู้โคโดมสักยะผู้ประเรสริฐทรงทราบความนั้นทั้งหมดแล้วประทับนั่งในถ้ำกลางหมู่พิกษุจากทรงตั้งอุบาลหไว้ในเอตะทะคะข้าพระองค์ปรารถนาศาสนาของพระองค์ เริ่มต้นตั้งแต่หลายแสนกับที่นับไมิได้ข้าพระองค์ได้บรรลุประโยชน์นั้นทั้งได้บรรลุความสิ้นสังโยชต์ทั้งปวงตามลําดับคนถูกคุกคามด้วยพระราชอาญาถูกเสียบไว้ที่หลาวแล้วไม่ได้ความสําราญที่หลาต้องการแต่จะหลุดพ้นไปอย่างเดียวฉันใดข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรมากข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันถูกคุกคามด้วยอาชญาคือพบ ถูกเสียบไว้ที่เหลาคือกรรมถูกเวทนาคือความกระหายบีบคั้นแล้วไม่ประสบความสำราญในภพถูกไฟสามกองแผดเผาอยู่สแสวงหาอุบายรอดพ้นดึกคนสแสวงหาอุบายรอดพ้นจากพระราชอาญาฉะนั้นคนดื่มยาพิษถูกยาพิษบีบคั้นเขาจึงสแสวงหายากาจัดยาพิษเมื่อสแสวงหาจึงได้พบยากาจัดยาพิษ ดืมยานั้นแล้วก็มีความสุขเพราะรอดพ้นจากยาพิษฉันใดข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรมากข้าพระองค์ก็เป็นเหมือนคนถูกยาพิษทำร้ายถูกอวิชาบีบคัน้นจึงสแสวงหายาคือพระสัธรรมเมื่อสแสวงหายาคือพระธรรมก็ได้พบศาสนาของพระสากะยะศาสนานั้นเป็นยาชั้นเลิศ ก, กว่ายาทุกขนานสำหรับบรรเทาลูกศรทุกชนิด ข้าพระองค์ดื่มธรรมโอสถแล้วก็ถอนพิษได้ทั้งหมดข้าพระองค์ได้สัมผัสพระนิพพานซึ่งไม่แฝงไม่ตายเป็นภาวะเย็นสนิทคนถูกผีคุกคามถูกผีสิงบีบคั้นพึงแสวงหาหมอผีเพื่อรอดพ้นจากผีเมื่อแสวงหาก็ได้พบหมอผีผู้ฉลาดในวิชาไลผ่ผีหมอผีนั้นจึงขับไล่ผีให้คนนั้น และทำผีพร้อมทั้งต้นเหตุให้พินาศชั้นใดข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรมากข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันถูกผีคือความมืดเคือกิเลสเบียดเบียนจึงแสวงหาแสงสว่างคืองยานเพื่อรอดพ้นจากความมืดต่อมาข้าพระองค์ได้พบพระศัจญาณมุนีผู้ชําระความมืดคือกิเลสพระศัจญาณมุนีนั้นทรงบรรเทาความมืดให้ข้าพระองค์ ดูดหมอผีขับไล่ผีไปฉะนั้นข้าพระองค์ได้ตัดกระแสการเวียนว่ายตายเกิดแล้วห้ามกระแสแห่งตันหาได้ถอนพบขึ้นได้หมดสิน้นดูดหมอผีขับไล่ผีไปพร้อมทั้งต้นเหตุฉะนั้นพญาครุฑโชบลงจับนาคซึ่งเป็นพักษาของตนย่อมทำน้ำในสระใหญ่ให้กระเพื่อมถึงรอยโยดโดยรอบครั้นพญาครุฑนั้นจับนาคได้แล้ว เบียดเบียนหน้าให้ห้อยหัวลงมันจับหน้าพาบินไปได้ตามความปรารถนาฉันใดข่าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรมากข้าพระองค์ก็เหมือนพญาครุฑที่มีพลังแสวงหาอสังคตะธรรมได้ชำระโทษทั้งหลายแล้วข้าพระองค์ได้เห็นธรรมอันประเสริฐจึงยึดถือเอาสันติบทอันยอดเยี่ยมนี้อยู่ดึกพญาครุฑจับหน้าไปฉะนั้นเถาวันชื่ออาสาวดี เกิดในสวนจิตระดาแล้วล่วงไปพันปีเทววันนั้นจึงจะเกิดผลผลหนึ่งเทพทั้งหลายเข้าไปนั่งเฝ้าเทววันชื่ออาสาวดีนั้นเมื่อการนานๆจะมีผลสักคราวเทววันชื่ออาสาวดีนั้นเป็นเทววันชั้นสูงสุดเป็นที่รักใคร่ของเหล่าเทวดาอย่างนี้นับได้แสนปีนับจากกลับนี้ไปข้าพระองค์ จึงจะได้ปรนิบัติพระมนีนั้นนอบน้อมทั้งเช้าเย็นดุจเหล่าเทวดาได้เข้าไปเฝ้าเถาวันชื่ออาสาวดีทั้งเช้าเย็นฉะนั้นการปรนิบัติพระพุทธเจ้าไม่เป็นหมันเปล่าประโยชน์และการนอบน้อมก็ไม่เปล่าประโยชน์ถึงข้าพระองค์จะมาจากที่ไกลขณะก็ไม่ได้ร่วงเลยข้าพระองค์ไปข้าพระองค์ค้นหาการถือปฏิสนทิในภพก็ไม่เห็น เพราะข้าพระองค์ไม่มีอุปธิหลุดพ้นแล้วจากกิเลสทั้งปวงมีจิตสงบประงับเที่ยวไปบรรดาดอกประทุมพอได้สัมผัสแสงดวงอาทิตย์ก็แย้มบานทุกเมื่อฉันใดข้าแต่พระองค์ผู้ทรงมีความเพียรมากข้าพระองค์ก็ฉันนั้นบานแล้วเพื่อสำเร็จมรรคผลนิพพานเพราะรามีแห่งพระพุทธเจ้า ในกำเนิดนกยางย่อมไม่มีนกยางตัวผู้ในการทุกเมือม่อเมื่อเมฆฝนคํารนเมื่อฟ้าร้องนกยางตัวเมียจึงจะตั้งครันได้ในการทั้งปวงนกยางตัวเมียเหล่านั้นจะตั้งครันอยู่นานตราบเท่าที่เมฆฝนยังไม่คํารามพวกมันจะพ้นจากภาระจะออกไข่ได้ก็ต่อเมื่อเมฆฝนตกลงมาฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้น เมื่อพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระทรงคำรนด้วยเมฆฝนคือพระธรรมก็ได้ตั้งคันคือธรรมด้วยเสียงแห่งเมฆฝนคือธรรมใช้เวลาตั้งแสนกับข้าพระองค์จึงจะได้ตั้งคันคือบุญข้าพระองค์ยังไม่พ้นจากภาระตราบเท่าที่เมฆฝนคือพระธรรมยังไม่คำรนข้าแต่พระสากยานีพระองค์ทรงคำร ด้วยเมฆฝนคือพระธรรมในกรุงกบิลพัทที่น่าเรื่นรมในการใดในการนั้นข้าพระองค์ก็จะพ้นจากภาระแม้ธรรมนั้นคือสุญตาวิโมกอนันมิตาวิโมกอปนิหิตาวิโมกและผลสีทั้งปวงข้าพระองค์ก็ได้บรรลุแล้วภาณวาระที่สองจบ พระองค์ปรารถนาคำสอนของพระองค์นานจนนับกลับไม่ได้ข่าพระองค์ได้บรรลุประโยชน์นั้นแล้วทั้งได้สันติบทอันยอดเยี่ยมตามลำดับข่าพระองค์ถึงความสำเร็จในวินยัยเป็นเหมือนภิกษุผู้สแสวงคุณผู้มีชื่อเสียงไม่มีภิกษุรูปอื่นจะเสมอเหมือนข้าพระองค์ข่าพระองค์ทรงจำคำสั่งสอนไว้ได้ในวินัยปิดกทั้งสิ้นนี้คือในวินัยในขันตกะ ในปริเฉษสามเพื 3, ่อในสังฆาทิเศษสาหมวดและปาจิตีสาหมวดในหมวดที่หข้าพระองค์ไม่มีความสงสัยอัคระเพือสระหรือแม้ในพยัญชนะเลยข้าพระองค์ฉลาดในวิธีคมในการกระทําคืนในฐานะที่ควรและฐานะที่ไม่ควรในการเรียกภิกษุผู้ถูกลงโทษกลับเข้ามูและในการช่วยให้ภิกษุออกจากอาบัต ถึงความสำเร็จในการกระทําทางวินัยกรรมทุกอย่างข้าพระองค์ตั้งบทไว้ในวินัยและคันตกะและขยายอุปโตวิพังเรียกภิกษุผู้ถูกลงโทษกลับเข้าหมู่โดยจิตหน้าที่ข้าพระองค์เป็นผู้ฉลาดในนิโรติศาตและฉลาดในประโยชน์และสิ่งนมใช่ประโยชน์สิ่งที่ข้าพระองค์ไม่รู้ไม่มีข้าพระองค์เป็นผู้เลิศผู้หนึ่งในาศาสนาของพระาศาสดา ในวันนี้ข้าพระองค์มองเห็นรูปพอดีบรรเทาความสงสัยได้ทุกอย่างในศาสนาของพระชากยะบุตรตัดความลังเลได้หมดสิน้นข้าพระองค์เป็นผู้ฉลาดในฐานะทั้งปวงคือบทหน้าบทหลังอักระพยัญชนะคำเริ่มต้นและคำลงท้ายเหมือนอย่างพระราชาผู้มีพลังทรงจับไพรพลของพระราชาผู้เป็นปฏิปักษ์ให้เดือดร้อน ชนะสงครามแล้วรับสั่งให้สร้างนาครไว้ในที่นั้นพึงรับสั่งให้สร้างกำแพงรับสั่งให้ขุดคูรอบตั้งเสาระเนียดสร้างซุ้มประตูสร้างป้อมต่างๆไว้ในนครเป็นอันมากพึงรับสั่งให้สร้างถนนสีแยกทางแยกร้านตลาดจัดสรรไว้เป็นอย่างดีสร้างศาลสถิตยุติธรรมเป็นที่ตัดสินคดีความไว้ในนคร น, นั้น เพื่อป้องกันอริราชศัตรูเพื่อจะรู้ช่องทางดีร้ายเพื่อดูแลรักษากำลังพลพระราชาเจ้านคร น, นั้นจึงทรงแต่งตั้งแม่ทัพไว้เพื่อรักษาสิ่งของพระองค์จึงทรงแต่งตั้งคนที่ฉลาดในการเก็บรักษาสิ่งของให้เป็นผู้รักษาสิ่งของด้วยตั้งพระทัยว่าสิ่งของของเราอย่าเสียหายไปเลยผู้ใดสมัครสมานกับพระราชา และปรารถนาความเจริญรุ่งเรืองแก่พระราชาพระราชาย่อมมอบหน้าที่แก่ผู้นั้นเพื่อปฏิบัติตอบแทนต่อมิตรพระราชาพระองค์นั้นย่อมทรงแต่งตั้งผู้ที่ฉลาดในลางบอ่อเคศในนิมิตและในลักษณะผู้คงแก่เรียนผู้ทรงมนไว้ในตำแหน่งปุโรหิตพระราชาพระองค์นั้นทรงสมบูรณ์ด้วยองค์ประกอบเหล่านี้พระศกนิกรจึงขนานพระนามว่ากษัตริย์ เล่าอมาตจิงถวายการอารักขาพระราชาทุกเมือ่อดุดนกจักรภาคเฝ้ารักษานกผู้ประสบทุกข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรมากพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นดึกประสัต์ผู้ขจัดฆ่าศึกษัตรูได้แล้วชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกจึงขนานพระนามว่าธรรมราชาพระองค์ทรงปราบเหล่าดีรถีทรงกำจัดมารพร้อมทั้งเสนามาน ทรงขจัดความมืดมนอนตะการแล้วได้ทรงสร้างนาครคือพระธรรมไว้ข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรในนครคือพระธรรมนั้นพระองค์มีศีลเป็นปราการมีพระญาณเป็นซุ้มประตูมีศรัทธาเป็นเสาระเนียและมีความสังวรเป็นนายประตูข้าแต่พระมุนีพระองค์มีสติปทฐานเป็นป้อมมีพระปัญญาเป็นชุมทาง มีอิธิบาทเป็นถนนสี่แยกธรรมวิถีพระองค์ก็ทรงสร้างไว้ดีแล้วพระองค์มีพระวินยัยพระสูตรพระอภิธรรมและพระพุทธพจน์มีองค์ก้าแม้ทั้งมวลนี้เป็นธรรมวภาพระองค์มีสุญญาตะวิหารธรรมธรรมเป็นเครื่องอยู่อันว่างอ น, นิมิตะวิหารธรรมธรรมเป็นเครื่องอยู่ไม่มีนิมิตอปนิหิตะวิหารธรรม ทำเป็นเครื่องอยู่ไม่มีความตั้งปรารถนาะอเนญชาวิหารธรรมทำเป็นเครื่องอยู่ไม่หวั่นไหวนิโรธวิหารธรรมทำเป็นเครื่องอยู่คือความดับนี้เป็นธรรมกุดีพระเถระผู้เลิศด้วยปัญญาที่ทรงแต่งตั้งไว้ฉลาดในปฏิพานมีนามว่าสารีบุตรเป็นจอมทัพธรรมของพระองค์ข้าแต่พระมุนี พระเถระผู้ฉลาดในจุติและปฏิสนธิถึงความสําเร็จแห่งริษมีนามว่าโบลิตะโมคลานะเป็นปุโรหิตของพระองค์ข้าแต่พระมุนีพระเถระผู้ดํารงวงเก่าแก่มีเดชแผ่ไปหาผู้กระทบประทั่งได้ยากเป็นผู้เลิศ ด, ด้วยทุดงคุณมีนามว่ากัสปะเป็นผู้พิพากษาของพระองค์ข้าแต่พระมุนี พระเถระผู้เป็นผหูสูดผู้ทรงธรรมเป็นผู้เลิกกว่าภิกษุผู้สวดสาธยายทุกรูปในาศาสนามีนามว่าอานน์เป็นผู้รักษาธรรมของพระองค์พระผู้มีพระภาคผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทรงละพระเถระเหล่านี้ทุกรูปทรงมุ่งเฉพาะข้าพระองค์แล้วทรงประธานการวินิจฉัยวินัยซึ่งบัณฑิตผู้รู้แสดงไว้แล้วแก่ข้าพระองค์ สาวกของพระพุทธองค์บางรูปไต่ถามปัญหาในวินัยในปัญหาที่ถามมานั้นข้าพระองค์ไม่ต้องคิดลังเลย่อมอธิบายปัญหานั้นได้เลยข้าแต่พระมหามุนีตลอดพุทธเขตยกเว้นพระองค์ในพระวินัยไม่มีใครผู้เช่นกับข้าพระองค์ผู้ที่ยิ่งกว่าจะมีแต่ที่ไหนพระผู้มีพระภาคผู้โคโดมประทับนั่งในถ้ำกลางพิสุสงแล้ว บันเล อ, อย่างนี้ว่าผู้เสมอขับอุบาลีในพระวินัยและในขันตกะเกอในมหาวัคจูลวัคและปริวานไม่มีสำหรับท่านผู้เห็นพระวินัยเป็นหลักสำคัญนาวางังฆาสาทุสั์เท่าที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ทั้งหมดพระาศาสดาตรัสไว้ในวินัยพระผู้มีพระภาคผู้โคโดมศากยะผู้ประเศรศสริฐทรงระลึกถึงกรรมของข้าพระองค์ ประทับนั่งในถ้ำกลางงูพิษุแล้วทรงแต่งตั้งข้าพระองค์ไว้ในตำแหน่งเอตัทะคะข้าพระองค์ได้ปรารถนาตำแหน่งนี้นานนับได้แสนกลับข้าพระองค์ได้บรรลุประโยชน์นั้นแล้วถึงความสำเร็จในวินยัยเมื่อก่อนข้าพระองค์เป็นช่างกระระบบช่างตัดผมเป็นผู้ทำให้เจ้าศักยยะทั้งหลายเกิดความเพลิดเพลิน ได้ละชาติกำเนิดนั้นแล้วมาเป็นบุตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เนกกลับที่สองนับจากพัทระกับนี้ไปได้มีกษัตพระนามว่าอัญชสะทรงเดชานุภาพหาที่สุดมิได้ทรงยศหาประมาณมิได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินมีพระราชทรัพย์มากข้าพระองค์ได้เป็นขติยกุมารมีนามว่าจันทนะ เป็นโอรสของพระราชาพระองค์นั้นเป็นคนมีกริยาแข็งกระด้างเพราะความมัวเมาในชาติตรูลในยศและในโภคะ้างตรกูลมาตังคะแสนเชือกตกมันสามแห่งประดับด้วยเครื่องประดับทุกอย่างแวดล้อมข้าพระองค์อยู่ทุกเมื่อครั้งนั้นข้าพระองค์มีกำลังพลของตนห้อมล้อมต้องการจะประพาสอุทยานจึงทรงช้างชื่อสิริกะออกจากนครไป พระสัมพุทธเจ้าพระนามว่าเทวละผู้เพียรพร้อมด้วยจรณะคุ้มครองทวารสำรวมด้วยดีเสด็จมาข้างหน้าของข้าพระองค์ครั้งนั้นข้าพระองค์ได้ใส่ช้างสสริกระไปจะให้ทำร้ายพระพุทธเจ้าเพราะเหตุนั้นช้างนั้นเหมือนเกิดความโกรธยกเท้าไม่ขึ้นข้าพระองค์เห็นช้างเสียใจจึงโกรธพระพุทธเจ้า เบียดเบียนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้ไปอุทยานเพราะการจะให้ช้างทำร้ายนั้นเป็นเหตุข้าพระองค์จึงไม่ได้ประสบความสําราญศีรษะเป็นเหมือนมีไฟลุกโคลงอยู่ข้าพระองค์ถูกความเาร้อนเผาไหม้อยู่เหมือนปลาติดเบ็ดแผ่นดินในซึ่งมีสมุทรสาครเป็นที่สุดย่อมปรากฏดแก่ข้าพระองค์เป็นดุดไฟลุกท่วม ข้าพระองค์ได้เข้าเฝ้าพระราชบิดาแล้วกราบทูลคำนี้ว่ามอมฉันได้ทำร้ายพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระสยามภูรพระองค์ใดผู้เป็นดังอสรพิษที่ถูกทำให้โกรธดังกองไฟที่ลามมาดังช้างพลายตัวตกมันพระพุทธชินเจ้าผู้มีตบะแก่กล้าถูกข้าพระองค์รุกรานพวกเราชาวเมืองทั้งปวงจากพินาศพวกเราจะขอขมาพระมุนีนั้น หาพวกเราจะไม่ขอขมาพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ฝึกตนแล้วผู้มีจิตตั้งมั่นเว้นแขวนของเราจากพินาตภายในวันที่เจ็ดพระเจ้าสุมเมฆลราชพระเจ้าโกศิยราชพระเจ้าสิกขวระราชพระเจ้าสัตตการาชเหล่านั้นพร้อมเสนาได้ลุกลานท่านเรือศีทั้งหลายแล้วได้ถึงความทุกข์ยากท่านเรือศีทั้งหลายผู้สำรวมแล้ว ประพฤกประเส ร, เริฐย่อมโกรธในการใดในการนั้นย่อมทำมนุสีโลกพร้อมทั้งเทวโลกท้องทะเลและภูเขาให้พินาศไปข้าพระองค์จึงสั่งให้ประชาชนมาประชุมกันในพื้นที่ประมาณสามพันโยชนเพื่อต้องการจะแสดงโทษจึงเข้าไปหาพระสยามภูพุทธเจ้าประชาชนพร้อมทั้งข้าพระองค์ทั้งหมดมีผ้าเปียกศีรษะเปียกประนมมือ พากันหมอบลงแทบพระยุคนลบาทของพระสยามผูพุทธเจ้าแล้วด้วยกราบเรียงคํานี้ว่าข้าแต่ท่านผู้มีความเพียรมากขอพระคุณเจ้าโปรดยกโทษเถิดประชาชนอ้อนวอนพระคุณเจ้าขอพระคุณเจ้าโปรดช่วยบรรเทาความเร่าร้อนและขอพระคุณเจ้าอย่าได้ทําแวหงคว้ า, นวานในพินาศเลยมวลมนุษย์พร้อมทั้งเทวดาทานบและราศศ จะพึงเอาคอนเหล็กทุบศีรษะของข้าพระองค์ในการทุกเมือ่อพระพุทธเจ้าตรัสว่าไฟย่อมไม่เกิดในน้ําพืชย่อมไม่งอกบนแผ่นหินจิมิชาติย่อมไม่เกิดในยาพิษฉันใดความโกรธย่อมไม่เกิดในพระพุทธเจ้าฉันนั้นแผ่นดินไม่วันไหวฉันใดพระพุทธเจ้าใครๆก็ให้กำเริ่มไม่ได้ฉันนั้นทะเลประมาทมิได้ฉันใด พระพุทธเจ้ามีพระคุณประมาณมิได้ฉันนั้นและอากาศไม่มีที่สุดฉันใดพระพุทธเจ้ามีพระคุณไม่มีที่สุดฉันนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายฝึกฝนตนแล้วมีความเพียรมากมีการงดโทษให้แก่ผู้อื่นและมีตบะท่านผู้มีความอดทนและมีการอดโทษให้แก่ผู้อื่นจะไม่มีการลุกอำนาจอคติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้นกล่าวดังนี้แล้ว ได้บรรทาความเร่าร้อนเหาะขึ้นไปบนท้องฟ้าต่อหน้ามหาชนในครั้งนั้นข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรเพราะกรรมนั้นข้าพระองค์จึงได้เข้าถึงภาวะที่เลวทรามร่วงเลยชาตินั้นมาเข้าสู่นครคือนิพพานซึ่งไม่มีภัยข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรมากแม้ในครั้งนั้นพระสยามภูพุทธเจ้าเห็นข้าพระองค์ถูกไฟแผลเผาอยู่แต่ดำรงอยู่ด้วยดี จึงทรงบรรเทาความเร่าร้อนให้ข้าพเจ้าจึงทูลขอพระสยามภูงดโทษให้ข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรมากแม้ในวันนี้พระผู้มีพระภาคทรงช่วยข่าพระองค์ผู้ถูกไฟสามกองแผดเผาอยู่ให้ถึงสภาวะสงบเย็นและทรงช่วยดับไฟสามกองให้แล้วขอให้ท่านทั้งหลายผู้เงียโศ ส, สดับจงตั้งใจฟังข้าพเจ้ากล่าวข้าพเจ้าจะบอกประโยค ก, กับท่านทั้งหลาย โดยประการที่ข้าพเจ้าได้เห็นบทแล้วข้าพเจ้าดูหมิ่นพระสยามภูผู้ธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีจิตสงบมีจิตตั้งมั่นเพราะกรรมนั้นในปัจจุบันนี้จึงมาเกิดในชาติตระกูลต่ำท่านทั้งหลายอย่าได้พลาดขณะไปเลยเพราะเหล่าสัตว์ผู้เลื่องเลยขณะไปย่อมเศร้าโศกขอท่านทั้งหลายเพื่อพยายามในประโยชน์ตนเถิดขณะท่านทั้งหลายให้สําเร็จแล้ว พระผู้มีพระภาคตรัสบอกยาสำรอกแก่บุคคลบางพวกยาทายแก่บุคคลบางพวกยาพิษร้ายแรงแก่บุคคลบางพวกและยารักษาแก่บุคคลบางพวกคือพระผู้มีพระภาคตรัสบอกยาสำรอกแก่บุคคลผู้ปฏิบัติตรัสบอกยาทายแก่บุคคลผู้ดํารงอยู่ในผลตรัสบอกยารักษาโรคแก่บุคคลผู้ได้ผลแล้วตรัสบอกบุญญาเขตแก่บุคคลผู้แสวงบุญ ตรัส บ, บอกยาพิษร้ายแรงคือบาปอากุศลแก่บุคคลผู้เป็นฆ่าศึกต่อศาสนายาพิษร้ายแรงย่อมแผลเผานรชนนั้นเหมือนอสรพิษร้ายฉะนั้นยาพิษร้ายแรงที่บุคคลเดิมแล้วเพียงครั้งเดียวก็ย่อมทําให้เสียชีวิตได้บุคคลทําผิดต่อศาสนาแล้วย่อมถูกแผลเผานับเป็นโกฎกลับ พระองค์ทรงช่วยสัตว์โลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามพ้นสังสารวัตรด้วยขันติด้วยความไม่เบียดเบียนและด้วยจิตประกอบด้วยเมตตาเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเป็นผู้อันท่านทั้งหลายให้พิโรธไม่ได้พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงเป็นเช่นพื้นปฐพีไม่ทรงติดข้องในลาบในความเสื่อมลาบในความสรรเสริญในความถูกดูหมิน่นเพราะเหตุนั้น พระพุทธเจ้าเหล่านั้นเป็นผู้อันท่านทั้งหลายให้พิโรธไม่ได้พระมุนีทรงมีพระทัยสม่ำเสมอในสัตว์ทั้งปวงคือในพระเทวทัตในขมังธนูโจรองคคุลีมานพระราหุลและช้างธนาบาลพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีความแค้นเคืองไม่มีความกำหนัดเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงมีพระทัยสม่ำเสมอในชนทั้งหมดคือานขมังธนู และในพระโอรสท่านทั้งหลายได้พบภากาสาวะอันเป็นธงชัยของพระฤาษีซึ่งเปื้อนคูดถูกทิ้งไว้ที่หนทางก็พึงประนมมือเหนือศีรษะและไหว้เถิดพระพุทธเจ้าเหล่าใดทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตพระพุทธเจ้าเหล่านั้นย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยธงชัยนี้เพราะเหตุนั้นจึงควรนอบน้อมพระพุทธเจ้าเหล่านั้นข้าพเจ้าทรงจำวินัยที่ดีงาม เช่นกับองค์แทนพระศาสดาไว้ด้วยฮัไทยเขาพเจ้านมันส ก, การวินัยอยู่ในการทั้งปวงวินัยเป็นที่อาศัยของข้าพเจ้าเป็นที่ยืนเดินของข้าพเจ้าข้าพเจ้าสำเร็จการอยู่ในวินยัยวินัยเป็นอารมณ์ของข้าพเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรมากภิกษุชื่ออุบาลีถึงความสำเร็จในวินยัยเป็นผู้ฉลาดในวิธีระ ง, งับอธิกรณ์ ขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระาศาสดาเขาพเจ้านั้นเที่ยวไปจากหมู่บ้านสู่หมู่บ้านจากเมืองสู่เมืองนมัส ก, การอยู่ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธรรมซึ่งเป็นธรรมดีกิเลสทั้งหลายเขาพเจ้าก็เผาได้แล้วภพทั้งปวงเขาพเจ้าก็ถอนได้แล้วอารวะทั้งปวงก็สิ้นไปแล้วบัดนี้ภพใหม่ไม่มีอีก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 ดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระอุบาลิเทระได้พาสิคขาเหล่านี้ด้วยประกาชนี้อุปาลิเทราประธานที่หกจบ